ประการหนึ่งภิกษุพึ่งพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรากําหนดรู้อุปาทานขันห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังกําหนดรู้อุปาทานขันห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อกําหนดรู้อุปาทานขันห้าแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรากําหนดรู้อุปาทานขันห้าได้แล้ว ภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในคุณสนธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมชนั้นแลอีประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราจเจริญสติปทานสีได้แล้วหรือห n อถ้าพิษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังจเจริญสติปทานสีไม่ได้พิษุนั้นพึงพยายามเพื่อจเจริญสติปทานสีแต่ถ้าพิสุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราจเจริญสติปทานสีได้แล้วภิษุนั้นพึงตามศึกษาในกุนธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแหลอีประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจะเริญสัมมาประธานสี่ได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เรายังเจริญสัมมาประธานสีไม่ได้ภิกษุนนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญสัมมาประธานสีแต่ถ้าพิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญสัมมาประธานสีได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในคุศนธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแล ประการหนึ่งิสุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราจะเรินอิธิบาสีได้แล้วหรือหนอถ้าภิกสุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังจะเรินอิธิบาสีไม่ได้ภิกสุนั้นพึงพยายามเพื่อจเจรินอิธิบาสีแต่ถ้าภิกสุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราจะเรินอิธิบาสีได้แล้วภิกสุนั้นพึงตามศึกษาในคุโสธรรมทั้งหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแหลอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญอินรี่ห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เรายังเจริญอินรียห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญอินรียหแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญอินรียหได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในคุโสรธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติปราโมทนั้นแหล ประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญพะละห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญภละห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญพละห้าแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญพละห้าได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมดนั้นแลอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจะเริโพุทชงเจดได้แล้วหรือหนอ ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญพชชงเจตไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญพชชงเจตแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญพชชงเจตได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปิติและปราโมสนั่นแล อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจริญอริยมรตมีองค์8ดได้แล้วหรือหนอถ้าพิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญอริยมรตมีองค์8ไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญอริยมรตมีองค์8แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญอริยมรตมีองค์8ดได้แล้ว ภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในคุศรธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปิติและปราโมทนั้นแหละอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า Umn. เราจะเริญสมถะและวิปัสนาได้แล้วหรือหนอถ้าภิกสุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังเจริญสมถะและวิปัสนาไม่ได้ภิกสุนั้นพึงพยายามเพื่อเจริญสมถะและวิปัสนาแต่ถ้าภิกสุพิจารณาอยู่รู so ้อย่างนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสนาได้แล้วพิกสุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นแหลสารีบุตรอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราทำวิชาและวิมุตติให้แจ้งได้แล้วหรือหนอ ถ้ภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังทำวิชาและวิมุตติให้แจ้งไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อทำวิชาและวิมุตติให้แจ้งแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราทำวิชาและวิมุตติให้แจ้งได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศสธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยปีติและปราโมดนั้นแลสารีบุตรก็ในอดีตสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งได้ทำบินตาบาดให้บริสุทธิ์สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมด ก็ได้พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทําบินตบาดให้บริสุทธิ์ในอนาคตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งจากทําบินตาบาดให้บริสุทธิ์สมณะหรือพราหม์เหล่านั้นทั้งหมดก็จะพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทําบินตาบาดให้บริสุทธิ์ในบัดนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งทําบินตบาดให้บริสุทธิ์ สมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดย่อมพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วอย่างนี้จึงทำบินทบาตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงสาเนียกอย่างนี้ว่าเราพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วจากทำบินตบาตให้บริสุทธิ์สารีบุตรเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษีนี้แลท่านพระสารีบุตร มีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลปินทปาตะปริสุทธิสูตรที่เก้าจบ อินทรียาวนาสูตรว่าด้วยการเจริญอินทรีย์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวลุวันกัดชังคลานิคมครั้งนั้นแหลอุตรมานกสิทธิของปาราสิริยะพราหมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทูลสนทนาปรสาสัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอุตรมานพสิทธิของปาราสิริยะพราหมว่าอุตรปาราสิริยะพราหมแสดงการเจริญอินรีแกสาวกหรือไม่อุตรมานพกราบทูลว่าแสดงขอรับแสดงอย่างไรพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ ท่านปาราศิริยพราหมณ์แสดงการเจริญอินทรีแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าสาวกของเราอย่าดูรูปทางตาอย่าฟังเสียงทางหูดังนี้เป็นต้นขอรับอุตระเมื่อเป็นเช่นนั้นสาวกผู้เจริญอินทรีแล้วตามคำของปาราศิริยพราหมณ์ก็จะเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกแน่นอน เพราะคนตาบอดย่อมไม่เห็นรูปทางตาคนหูหนวกย่อมไม่ได้ยินเสียงทางหูเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุตรมานกสิทธิของปาราศิริยะพราหมณ์ก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าอุตรมานกสิทธิของปาราศิริยะพราหมณ์ นั่งนิ่งเกอรอเขินคอตกก้มหน้าซบเศรา้าหมดปฏิพานจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ปาราสิริยพราหมณ์ย่อมแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งแต่การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างหนึ่งท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค บัดนี้เป็นการสมควรแล้วข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคพึงแสดงการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยภิษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจากทรงจำไว้อานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ท่านพระอาณนทูลร <crosstalk and> <LED> ับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่าการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปทางตาแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจ น, นี้แล้วความชอบใจเป็นต้นนั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียดปราณีตคืออุเบกขาความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจนั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นจึงดับไปอุเบกขาย่อมดํารงมั่นเปรียบเหมือนบุรุษมีตาดีกระพริบตาแม้ชั้นใดความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจ อันเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งชั้นนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบกขาย่อมดำรงมั่นอานอนนนี้เราเรียกว่าการเจริญอินสีในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันยอดเยี่ยมในอริยวินัย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 น้ำที่หยดลงยังช้าไปที่แท้หยดน้านั้นจะระเหยแห้งไปเร็วพลันทันทีแม้ฉันใดความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วแกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฉันนั้นเหมือนกันย่อมดับไปอย่างเร็วพลันทันทีโดยไม่ยากอย่างนี้อุเบขาย่อมดำรงมั่นอนน์ นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจอันยอดเยี่ยมในอริยวินัยอานน์การเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แล เสขผู้กําลังปฏิบัติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจเพราะความชอบใจความไม่ชอบใจความชอบใจและความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นภิกษุนั้นจึงอึดอั ด, อดเบื่อ น, น่ายรังเกียจฟังเสียงทางหูแล้ว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 อานนนพระเสขาผู้กำลังปฏิบัติเป็นอย่างนี้แลพระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วจึงเกิดความชอบใจ เกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจถ้าเธอหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่<ส>ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิกูนนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิกูลและสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังว่า เราพ you know so ึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลและสิ่งที่ปฏิคูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิคูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลและสิ่งที่ปฏิคูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิคูลอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งที่ปฏิคูลและสิ่งที่ไม่ปฏิคูลทั้งสองนั้นแล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่อีกประการหนึ่งภิกษุฟังเสียงทางหูแล้วภิกษุดมกลิ่นทางจมูกแล้วภิกษุลิ้มรสทางลิ้นแล้ว ภิกษุถูกต้องโพธิภะทางกายแล้วภิกษุรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วจึงเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจและเกิดทั้งความชอบใจและความไม่ชอบใจถ้าเธอยังหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิคูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิคูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิคูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิคูลอยู่ ถ้าหวังว่าเราเพึ่งมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิคูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏ é> ิคูลนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏ Court, ificar, ิคูลอยู Là, ่ถ้าหวังว่าเราพึ่งมีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิคูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิคูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ปฏิคูล และสิ่งที่ไม่ปฏิคูนนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปฏิคูลอยู่ถ้าหวังว vale ่าเราเพิงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิคูลและในสิ่งที่ปฏิคูลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิคูลอยู่ก็มีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่ปฏิคูนและในสิ่งที่ปฏิคูนนั้นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิคูนอยู่ถ้าหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งที่ปฏิคูลและสิ่งที่ไม่ปฏิคูลทั้งสองนั้น แล้วมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่อานนท์พระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้วเป็นอย่างนี้แล เราแสดงการเจริญอินทรีย์อันยอดเยี่ยมในอริยวินัยไว้แล้วแสดงพระเสขะผู้กําลังปฏิบัติไว้แล้วแสดงพระอริยะผู้เจริญอินทรีย์ไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้กิจที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์แล้วพึงทําแก่สาวกทั้งหลายได้เราก็ได้ทําแก่เธอทั้งหลายแล้วอานุ นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอินทรียพวนาสูตรที่สิบ จบลายตนวัคที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อนาถปินทิโกวาทสูตร 2. ชฉันโนวาทสูตร 3. ปุลโนวาทสูตร 4. นันทะโกวาทสูตร 5. จูละราหุโลวาทสูตร 6. ชะชะกะสูตร 7. สลายตนวิพังคสูตร 8. นัครวิณเทยสูตร 9. ปินทะปาตะปริสุที่สูตร 10. อินทริยพวนาสูตร อุปปริปันธาจบ